ฝังธรรมที่เป็นแสงสว่างที่จะสอนให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงทุกวันนี้ความสุขที่พวกเราแสวงหากันความสุขที่พวกเราได้สัมผัสกันล้วนเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขที่ไม่สามารถให้ความอิ่ม ให้ความพอได้แต่เป็นความสุขที่เพิ่มความหิวเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปไเรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีหาความสุขที่แท้จริงว่าหาอย่างไรถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงนี้หากันอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาพบพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับภาษาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยว่าการ วความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงพบวิธีหาความสุขที่แท้จริงพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติกันความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อยู่ที่การหยุดการหาความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะการหาความสุขต่างๆทั้งหลายนี้จะไม่ได้ทำให้มีความสุขแต่กลับจะทำให้มีความทุกข์กลับจะทำให้มีความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตราบใดที่เรามีความอยาก แบบนั้นเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องทําตามความอยากหาสิ่งที่เราอยากได้แต่มันก็เป็นเหมือนกับเดินตะครุบเงาเวลาเราเห็นเงาอยู่ข้างหน้าเราอยากจะตะครุบเงาของเราเราก็เดินเข้าไปหาเงานั้นพอเราเดินไปหาเงา เงาก็เดินหนีจากเราไปแม้ว่าเราจะวิ่งตามตะคุกเงาของเรามากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่สามารถจับเงาของเราได้อันนี้ก็เช่นเดียวกับความสุขที่พวกเราแสวงหากันเราหามาได้มากได้น้อยแต่เราก็ยังไม่เคยพบกับความอิ่มความพอ ถ้ายังไม่มีไม่พอจะเรียกว่าสุขได้อย่างไรเหมือนกับเวลารับประทานอาหารถ้ารับประทานเข้าไปแล้วไม่มีความอิ่มนี่จะเกิดความสุขได้หรือไม่ถ้าเราต้องรับประทานอาหารไปทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงรับประทานแล้วก็ยังไม่อิ่มสักทีอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นความสุขได้หรือไม่ แต่พวกเรายังโชคดีที่เวลารับประทานอาหารรับประทานไปแล้วก็ยังเกิดความอิ่มขึ้นมาได้แต่ความสุขทางใจที่พวกเรากำลังต้องการกับนี้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอเลยถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า เราจะไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงความอิ่มความพอนี้อยู่ที่การหยุดหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองเพราะการแสวงหานี่ก็แปลว่ามีความหิวแล้วมีความต้องการแล้วมีความบกพร่องแล้วแต่ถ้าเราหยุดหาได้ เราก็จะพบกับความอิ่มพบกับความพอความพอกับความอยากนี้เป nah, ็นของอยู่ก The ันคนละขั้วกันเหมือนกับความมืดกับความสว่างอันนี้อยู่กันคนละขั้วกันถ้ามีความสว่างก็จะไม่มีความมืดถ้ามีความมืดก็จะไม่มีความสว่าง ถ้ามีความพอก็จะไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็จะมีความไม่พอตามมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำใจของเราให้พอให้ได้วิธีที่จะทำใจของเราให้พอให้ได้ก็คือให้เราหยุดหาสิ่งต่างๆหรือหาเท่าที่จำเป็นต่อการดารงชีพ คือหาปัจจัยสี่มาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วอยากไปหามายิ่งหามายิ่งหิวยิ่งอยากยิ่งเหนื่อยยิ่งทุกข์แต่ถ้าเราหาปัจจัยสี่พอเราได้ปัจจัยสี่พอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วเราก็หยุดหาได้ พอเราหยุดหาได้เราก็จะพบกับความสุขพบกับความอิ่มการที่เราจะพบกับความสุขพบกับความอิ่มพบกับการที่เราไม่ต้องไปหาอะไรต่างๆมาได้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราหยุดการหาหยุดความอยาก เพื่อให้เราได้พบกับความอิ่มพบกับความพอไดอ้สิ่งเครื่องมือที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี้ก็มีอยู่สามชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเรียกว่าทานชิ้นที่สองเรียกว่าศีลชิ้นที่สาเรียกว่าภาวนานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดแสวงหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้พบกับความอิ่มพบกับความพอดังนั้นขอให้เราน้อมเอาเครื่องมือทั้งสามนี้มาใช้กับการหยุดความต้องการหยุดความอยากต่างๆเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเช่นถ้าเรามีเงินทอง มีข้าวของมีสิ่งต่างๆที่มากเกินกว่าความต้องการของร่างกายก็ให้เราเอามาแบ่งปันเอามาแจากจ่ายให้แก่ผู้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้เกิดเป็นพาราทานจิตใจก็จะทำให้ต้องคอยกังวลต้องหวง ต้องห่วงแล้วเวลาที่เกิดการสูญเสียไปก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจดังนั้นการมีสมบัติเข้าของเงินทองที่มากเกินความจำเป็นนี้ไม่ได้เป็นการให้ความสุขกับเราแต่เป็นการให้ความทุกข์กับเราเพราะพระพเจ้าจึงทรงสอนให้เรา ลดความทุกข์ของเราให้น้อยลงไปสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆที่เรามีมากจนเกินไป mm. เช่นเสื้อผ้าเรามีล้นตู้หาที่เก็บไม่ได้อย่าไปซื้อตู้ใหม่มาเพื่อที่จะได้มีที่เก็บ เพื่อที่จะได้ซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกซื้อมาอีกสิบตู้มันก็ไม่ได้ทำให้เราอิ่มให้เราพอถ้ามาเราไม่อิ่มเราไม่พอเราก็เหมือนกับคนหิวข้าวก็ต้องกินอยู่เรื่อยต้องซื้อเสื้อผ้ามาอยู่เรื่อยจนจะไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าบ้าง แต่ถ้าเราเก็บเอาไว้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้สอยเสื้อผ้านี้เราจยาวสงสอนให้พิจารณาว่ามีไว้เพื่อป้องกันรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการสัมผัสกับอากาศที่หนาวเยน็นหรือจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยมากัดหรือ เพื่อมีเอาไว้เพื่อปกปิดอวัยวะต่างๆของร่างกายอันนี้คือหน้าที่ของเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ไม่สามารถทำให้เราเป็นคนสวยคนงามได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายต่อให้ร่างกายสวยงามสักเพียงรก็ตามแต่ถ้าเราคือใจของเราไม่สวยงามก็จะไม่เป็นที่น่ารักน่าปรารถนาของผู้ ความสวยงามที่แท้จริงนี้สวยที่ใจไม่ได้สวยที่ร่างกายเราจรึงไม่จาเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าอภารรวิจิตพิสดารหลากหลายมาคอยเสริมสวยทางร่างกายเพราะถ้าว่าใจเราไม่สวยแล้วต่อให้ใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็จะไม่มีใครชื่นชมยินดี ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราความสวยงามของใจนี้เกิดจากการเป็นผู้มีใจเป็นใจบุญใจกุศลใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หวงมีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้รับความสุขอันนี้จะทำให้เป็นผู้น่ารัก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายและจะไม่ตายด้วยสตราวุธต่างๆหรือยาพิษพาะจะไม่มีผู้คิดร้ายจองร้าย ต่อผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็เวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสุขติไปเกิดเป็นเทศเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวานสนามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบริบูรณ์ มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอายุยืนยาวนาน ม, มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบ32นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำทานประโยชน์ที่แท้จริงที่เราควรจะเล็งถึงก็คือการมีความทุกข์น้อยลง เพราะเราไม่ต้องนิ่นหลนหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาให้กับเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่ต้องมีภาระกับการเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงใยกับทรัพย์สมบัติต่างๆ เวลาจะตายก็จะตายอย่างมีความสุขเพราะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องพัดพากจากกันมีเพียงของจำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นกี่อันท่นั้นก็พอเรามาสร้างความสุขทางใจด้วยการให้ทานด้วยการแบ่งปันมาลดความทุกข์ทางใจด้วยการให้ทานด้วยการแบ่งปัน แล้วก็มาสร้างบุญบารมีที่จะทำให้การเดินทางของเราสู่พระนิพพานนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น อ, อย่างสะดวกอย่างสบายอย่างที่พระบรมศาสดาของพวกเราได้บำเพ็ญกันมาในครั้งที่เป็นพระเวชสันดรทรงเป็นผู้มีความสมถะมากน้อย มากน้อยสันโดษเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรมากกว่าที่ร่างกายต้องการเลยส่งใช้เวลากับการบาเพ็ญ น, นักษาศีลภาวนาไปดีกว่าที่จะเสียเวลาให้ไปกับการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาลาภยศหาอำนาจต่างๆมา เพราะมันไม่ได้เป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความอิ่มความพอไปสู่ความดับของความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองอั น, นิสงสงของพระเวชสันดรก็ทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วพอกลับมาจากสวรรค์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถะมาออกบวช แล้วก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามลําดับต่อไปถ้าไม่ได้บังเพนทานบาราีมาเวลาได้เป็นกษัตริย์ได้เป็นราชโอรสนี้จะไม่สามารถที่จะสละราชสมบัติได้เพราะใจไม่เคยทําทานใจมีแต่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สมบัติพอมีทรัพย์มีสมบัติก็จะกอดไว้อย่างแน่น ไม่ยอมปล่อยอย่างที่เราเห็นกันมีใครบ้างที่เป็นระดับกษัตริย์เป็นราชโอรสที่จะสละกราชสมบัติแล้วออกไปอยู่แบบนักบวชได้ไม่มีหาได้ยากมากหรือมหาเศรษฐีมีมหาเศรษฐีสกิลคนที่สลากสมบัติเข้าของเหมนทองแล้วก็ออกบวชอยู่แบบนักบวช หาไม่ได้ล่ะเพราะว่าไม่เคยทำทานอย่างพระเวชสันดร น, นั่นเองผู้ที่จะสละทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ของตนได้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึกซ้อมการเสียสละ ก, การแบ่งปันการให้สิ่งต่างๆของตนที่มีมากเกินไป น, นี้ไปเสียก่อน ถ้าเรายัางไม่ได้สร้างทานบารมีมานี้อย่าหวังเลยว่าเราจะเข้าสู่การบวชไ ด, ด้เข้าสู่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าสู่การบาเพ็ญจิตตภาวนาได้เลยเพราะเราจะถูกความอยากร่ำอยากรวยอยากมีความสุขกับการหาเงินทองใช้เงินทองนี้ผูกรัดเอาไว้ จนทำให้เราไม่มีช่องที่จะออกมาปฏิบัติมาบําเพ็ญศีลภาวนาได้เลยนี่คืออนิสง์ของการใช้เครื่องมือข้อแรกคือการทำทานถ้าเราทำทานได้เราสะละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เกินความจำเป็นนี้ไปได้ เราก็จะสามารถรักษาศีลได้เพราะเราไม่ต้องไปดิ้นรนหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเราก็จะหาไปตามมีตามเกิดตามความจำเป็นก็จะทำให้เราไม่ต้องโกหกหลอกลวงไม่ต้องชอบโกงไม่ต้องรักทรัพย์ไม่ต้องประพฤติผิดประเวณี ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะทำให้เรานี้สามารถรักษาศีลได้การรักษาศีลได้ก็จะเป็นการหยุดการกระทำตามความอยากต่างๆตัดความอยากได้อีกอีกทางหนึ่งเช่นอยากจะรวยหาเงินทองมาด้วยความสุจริตไม่ได้ก็ไปหาด้วยวิธีทุจริต ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือรักทรัพยช่อโ ก, โกโกหกหลอกลวงแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแบบไม่มีขอไม่มีเขตเราจะสามารถทำมหากินแบบสุจริตได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมีความสุข เพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปเพราะการทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจการละเว้นจากการทำบาปเป็นการดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปนี้ใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะมีความสงบมากขึ้นพอที่จะทำให้เราสามารถ บำเพ็ญขั้นที่สามได้หรือใช้เครื่องมือชิ้นที่สามได้ก็คือการภาวนารักษาศีลก็เพื่อหยุดความอยากที่จะทําบาปทำกรรมภาวนาก็เพื่อหยุดความอยากอย่างถาวรถ้าเราหยุดความอยากได้อย่างถาวรเราก็จะสบายเพราะใจจะอิ่มใจจะพอ ไม่ต้องไปวิ่งตะคุบเงาอย่างที่พวกเรากำลังกระทำกันอยู่ทุกวันนี้เราอยากได้อะไรเราคิดว่าพอได้แล้วเราจะมีความสุขจะมีความพอแต่พอเราได้มาแล้วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาทันทีอย่างที่มีสุภาษิตพูดว่าพออยากได้คืบพอได้คืบแล้วก็อยากจะได้สอก พอได้สองก็อยากจะได้วาถ้าเป็นข้าราชการตอนต้นก็อยากจะเป็นนายสิบเป็นจ่าพอเป็นจ่าแล้วก็อยากจะเป็นนายร้อยพอเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันแล้วก็อยากจะเป็นนายพลเป็นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรือถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นมนุษย์ธรรมดาเบื้องต้นของความอยากก็คือ ขอให้พอมีพอกินคือขอให้ไม่อดอยากขาดแคลนขอให้มีอาหารมีสิ่งจำเป็นเลี้ยงดูชีวิตขําตนพอมีแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีสมบัติมากๆอยากจะมีความสุขจากการใช้สมบัติมากๆพอมีสมบัติมากๆแล้วทีนี้ ก็อยากจะมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นกำนันเป็นสอทอเป็นสสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพอเป็นแล้วได้เป็นแล้วก็อยากจะเป็นไปนานนานพอได้เป็นไปนานานก็อยากจะอยู่ไปนานาน แล้วถ้าถึงเวลาจะต้องตายก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ได้ไปสวรรค์ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลตายไปแล้วไม่ได้ไปสวรรค์แต่จะต้องไปอบายแทน พอกลับจากอบายมาก็กลับมาเกิดแบบคนอาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามยากจนอาการไม่ครบสาสบสองอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องมาดิ้นรนมาแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใหม่แล้วก็ต้องทำบาปทำกรรมใหม่นี่คือทานไป ของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือหวงสมบัติหวงข้าวของเงินทองไม่ยอมนำเอามาแบ่งปันแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นมีแต่โลกอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปจนกระทั่งเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวกลายเป็นของคนอื่นไปหามาแทบเป็นแทบตาย แล้วก็ต้องไปรับโทษที่เกิดจากการหามาด้วยวิธีที่ไม่สุจริตแทนที่จะได้ไปสู่สุขติก็ต้องไปสู่อบายแทนแต่ถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะได้ไปอบายแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มา หยุดความอยากให้หมดไปในที่สุดได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันทำทานให้ได้ทาได้ถ้าทำทานได้แล้วรับรองได้ว่าจะรักษาศีลได้พอรักษาศีลได้แล้วก็จะมาภาวนาได้ภาวนานี้ก็มีสองระดับด้วยกันสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนา อันที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกก็คือทำใจให้สงบก่อนการทำใจให้สงบนี้ง่ายกว่าการเจริญวิปัสสนาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและก็ต้องมีสมถะคือความสงบเป็นฐานก่อนเหมือนกับการวิ่งกับการเดินอันไหนจะง่ายกว่ากัน ก่อนที่เราจะวิ่งได้เราต้องเดินให้ได้ก่อนถ้าเรายังเดินไม่ได้เราไปวิ่งก็จะล้มทันทีดังนั้นก่อนที่เราจะสอนใจให้รู้จริงเห็นจริงให้มีดวงตาเห็นธรรมได้ขั้นแรกเราต้องทำใจให้สงบก่อนหยุดความอยากให้ได้ก่อนพอใจสงบหยุดความอยากได้ก็จะเห็น ความเห็นโทษของความอยากเลยว่าเวลาที่มีความอยากกับเวลาไม่มีความอยากนี้มีความสุขแตกต่างกันอย่างไรเหมือนนรกกับสวรรค์เลยเวลาใจไม่สงบ ก, กับใจสงบนี้เหมือนกับอยู่นรกอยู่กับสวรรค์เลยพอเห็นสวรรค์เห็นความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากแล้วทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าต้อง หยุดความอยากเพียงอย่างเดียวเวลาออกจากความสงบออกมาใจก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากตามมาแต่พอเรารู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเราก็จะต่อสู้ต่อต้านด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้วิธีที่จะหยุดความอยากได้ก็มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นก็คือไม่ทำตามความอยากเท่านั้นเองพอเราไม่ทำตามความอยากเราทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปจนในที่สุดก็จะหมดกำลังไป ทุกครั้งที่อยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากความอยากนั้นจะอ่อน ก, กำลังลงไปเช่นสมมตริเราติดเราอยากดื่มกาแฟถ้าเราอยากจะเริ่มดื่มกาแฟวิธีจะทําก็คือทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟก็อย่าดื่มอย่าทําตามความอยากแล้วความอยากดื่มกาแฟครั้งต่อไปจะอ่อน ก, กําลังลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะไม่มีความอยากดื่มกาแฟาเหลืออยู่เลยนีคือวิธีเลิกการติดสิ่งต่างๆติดบุหรี่ก็ต้องหยุดสูบบุหรี่อย่าทำตามความอยากติดสุราก็ต้องหยุดดื่มสุราติดละครติดทีวีก็ต้องหยุดดูทีวีหยุดดูละครติดไปเที่ยวก็ต้องหยุดเที่ยวติดช้อปปิ้งติด ซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ต้องหยุดซื้อ mm hmm. พอหยุดซื้อไปสักระยะหนึ่งแล้วความอยากมันก็จะหายไปแล้วเทนี้อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านไปหาสิ่งต่างๆหามาได้เท่าไหร่หามาจนล้นบ้านจนไม่มีที่เก็บก็ยังต้องออกไปหาอยู่เรื่อย เพาะมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนที่หามาได้มันอยู่ที่ความอยากที่เราไม่เคยตัดมันไม่เคยลดมันไม่เคยต้านมันมีแต่ทําตามความอยากไปมันจึงทําให้ความอยากนีใ่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใชเ่เล็กลงไปเรื่อยๆวิธีที่จะทําให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วหมดไปในที่สุดก็ต้องหยุดความอยาก ต้องทำทานต้องรักษาศีลและภาวนาเท่านั้นถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาเราจะหยุดได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้หยุดมาแล้วเหมือนกับที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หยุดมาแล้วเราก็จะทำได้เช่นเดียวกัน พราะเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็ไม่มีความแตกต่างกันมีร่างกายเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันมีโรคโกรหลงมีความอยากเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ามีสิ่งที่เราไม่มีตอนนี้ก็คือมีฐานมีศีลมีภาวนาถ้าเราอยากจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทงสร้างฐานสร้างศีลสร้างภาวนาขึ้นมา อย่างที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้ก็เป็นการสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความหิวความไม่อิ่นความไม่พอนี้เองจึงขอให้พวกเราพยายามทำกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะสามารถหยุดความอยากได้ทั้งหมดเลย พอไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างอิสระภาพไม่ต้องตกเป็นท่าของความอยากอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดนี้เพื่อมาหาความสุขที่แท้จริงให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ